أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ب س م الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ونتبعهم بإحسان إلى من الدين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ن ي سورة الأنفال. سب نعج و ا ت ب ا ي การต่อสู้ระหว่างท่านนบีแล้วก็ชาวกุรีชาวมักกะที่บฏิศสธท่าหรือว่าจะเรียกนบีว่าฝ่าจะเรียกท่านนบีมุฮัมมัดว่เป็นฝ่ยฝ่ายธรรมฝ่ายฝ่ายายุติธรรมฝ่มีความชอบธรรมเพราะท่านนบีเขออกจาก ออกจากมากาักกะเบล่ะอ้าวจะพวกเองจะอยู่ยังไงก็อยู่ฉันก็จะไปอยู่ของฉันแล้วก็ไป<ม>ไปไปเผยแพร่บนผืนแผ่นดินของของพระเจ้าที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกูรเชสนะแต่ชาวกูรเชสเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นฝ่ายผู้บุกรุกหรือฝ่ายอาธรรมผ่ายนาบีนี่คือฝ่ายที่มีความชอบธรรมฝ่ายกูรเนสในฝ่ายที่อยุติธรรม สุรเดลัมแฟนนิจะพยายามอธิบายความไม่ชอบธรรมของชาวมุก้าเนี ن ن ่ยในหลายมุมในมุมหนึ่งก็คือการที่เข้าครอบครองมาซิดฮารอมไบตุลลอฮ์แผ่นดินฮารอมซึ่งเป็นศาสนสถานสําคัญที่สุดและลอสุบฮานะวะตะอัลถือว่า คนที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองดูแลบริหารจัดการมัสยิดฮะรอมรวมถึงศาสนสถานทุกศาสนสถานจะต้องเป็นอัลมุตตะกุนอินอัลเลียอฮูอินลัลมุตตะกูนก็คือคนที่ยอับกื้ง Allahu a k b า r สอดคล้องกับ อยานในสุรษูหจารทีแล้วว่าอินอัครมักุม عند ا أ ت ك م คนที่เป็นศิษย์ยิ่งนหมพวกท่านนะอัลลอฮนี่ก็คือคนที่มีเกี่ยวข้มากที่สุดจึงไม่แปลกที่อัลลอฮจะแต่งตั้งคนที่มาถือกุมสิธิ์มาบริหารจัดการมักกะเนี่ยคัดเลือกบุคคลที่ประสฐที่สุดมันมันก็มีความชอบธรรม เพราะปกติแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะมีคุณสมบัติเป็นคนที่เลิศที่สุดในสังคมในด้านคุณธรรมในด้านความสามารถในด้านคุณสมบัติ ต, ต่างๆ ต, ต, ต้องไหมอัมุตตะกูลเนี่ยคนที่มีตะกวนนี่คือคนที่ประเสริฐยิ่งนะอลัลลอฮฺสุฮาก็าสมควรที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการแผนดินฮารอมแต่อันนี้ อันนี้ไม่มีการแย้งจากชาวมักกะนี่เพราะชาวมักกะนีก็ยอมรับไงว่าว่กาบานีเขาเรียกอะไรใบตุลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ก็คือพระเจ้าเดียวที่ท่านนาบีมุฮัมมัดแล้วก็ชาวมักกะนี่เขาสักการะกันฉะนั้นชาวมักกะนี่เขาไม่แย้งเลยนะว่าระหว่างพระเจ้าของเราแล้วก็พระเจ้าของท่านที่เป็นเจ้าของศา ส, สนสถานนี้นี่คือองค์เดียวกัน อันนี้าชาวมักกะเขาไม่แย้งเลยนะฉะนั้นมุมหนึ่งของความชอบที่จะให้ชาวมักกะเนี่ยมุมหนึ่งของความไม่ชอบที่จะให้ชาวมักกะเนีย่ยบริหารจัดการมสัสยิดฮารอมจึงจะมีสิทธิ์ที่จะขับไล่ท่านนบีหรือจะสังหารท่านนบีหรือจะตั้งกองทัพไปบุกรุกท่านนบี มีทั้งหมดเนี่ยสืบเนื่องจากว่าเขาอ้างตัวเองว่าเป็นเอาเลียก็คือผู้ปกครองเบตุลโลชาวอาหรับนี่เขาถือว่ามักกะเนี่ยเป็นเมืองหลวงของคาบสมุทรอาหรับและในทุกอรารยธรรมเนี่ยเมืองหลวงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่จัดการแผ่นดินทั้งหมดเลย คนเมืองหลวงอะ่ะชาวเมืองหลวงอะ่ะชาวกรุงอะ่ะเมืองหลวงนี่ก็กจะควบคุมทุกอย่างชาวมังกานี่เขาถือว่าความชอบของเขาไ ง, ขงเขาเขาเป็นเจ้าของเมืองเนี้ยเขาเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมือง เ, อเจ้าเมืองเท่ากับเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลข้ามสมุดอันดับทั้งหมด ใครจะ อ, อะไรทำอะไรที่มันไม่เข้าท่าเขามีความชอบเขามีความชอบที่จะไปปราบปรามนี่คือข้ออ้างของชาวมักกะเหตนั้นฉันจะชาวักก็บอกว่าฉันจะไปปราบมุฮัมมัดเนี่ยเนื่องจากว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ครองเป็นเจ้าเป็นเจ้าเมืองเมืองหลวงองเร้ก็เลยถอดถอนความชอบเนี่ยไม่ใช่พวกเจ้าไม่มีความชอบ ที่จะเป็นเจ้าเมืองที่จะเป็นผู้บริหารเมืองหลวงหรือหรือมักกะซึ่งอยู่ในดวงใจของชาวอาหรับที่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมนะเพราะอาหรับทั้งหมดที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับนีทั้งหมดเลยเนี่ยพอถึงเวลาเทศกาลหัดเนี่ยมาหมดเลยอยู่ไหนก็ตามก็มาหมดเลยเป็นประเพณี เป็นศาสนาประเพณีที่เขาอนุรักษ์รักษาตั้งแต่สมัยท่านนาบีอิบราฮิมกันนับนับพันปีเลยอะนับเป็นพันเป็นพันพันปีเลยแล้วเขาถืออภิสิทธิ์ว่าอาหรับเนี่ยอาหรับเนี่ยเขาจะมองว่าชาวกุรเชเนี่ย ก็เป็นคนที่ดูแลมสัสยิดฮารอมดูแลกาบะดูแลบับตุลล้อเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาเป็นเป็นคนที่ถึงเวลาก็กต้องมามันซึนไป ด, ดูช่องหนึ่งเป็นช่องที่อ้างว่าเป็นช่องของปัญญาชนแต่เขาทำรายการของเทศกาลแต่ว่ากิสานที่หนึ่ง จะเป็นวัดที่อดีตเจ้าวาดเนี่ยเป็นคนที่สักยันสารพัดยันยันลิงยันสิงยันเสือยันจละเข้แล้วก็ถึงเวลาเทศการเนี่ยก็ก็คนที่เป็นสิทธ์เป็นสิทธ์อาจารย์อดีตเจ้าวาดหรือหรือคนที่เขาทำศัก ทำศักในวัดเนี่ยมาหมากันหมดเลยแล้วก็ชุมนุมกันแบบของขึ้นนะ่ะนะของขึ้นนะ่ะโอโหนี่นี่แค่แค่ทําศัก์เนี่ยและจัดมาลิดกันที่จัดเอเขาจะอะไรอะไรเทศกาลจาัดทีหนึ่งหักเป็คนคุณมาเป็นห ม, มื่นนะ่ะมันเลือเชื่อจึงไม่แปลกนะว่าชาวอาหรับเนี่ย พระเพีนี่ดั้งเดิมอาก็คือเรื่องที่ท่านนบีบรหิมดูอาวะจัลฟีเดตมินอนนาสิตะฮุยไลฮ์แต่ดูอาท่านนบีบรหิมนี่ให้มนุษยชาทั้งหลายหัวใจของเขาเนี่ยมุ่งไปหาเบตุลละฉะนั้นไม่มีนบีท่านใดเว้นแต่ได้ไปทำฮัดแม้กระทั่งท่านนบีมูซา مسجد อัลกีฟ อัลไคฟที่อยู่ที่มินานี่ท่านนบีบอกว่ามีแปดสิบนบีในได้ละหมาทิมสิดเนี่ยท่านนบีม a h o m ัลลัลลอฮุยละแต่คนต่างชาติอาหรับเนี่ยเขาได้ทิ้งประเพณีนี้แต่อารับเนี่ยได้รักษาประเพณีประเพณีที่อะไรที่ต้องไปถึงเทศกาลฮานต้องไป เขาก็เลยมองชาวกรีซเนี่ยแม้ว่ากุรีนี่แหละโดยเฉพาะคนแรกเนี่ยอัมรุบนูลไฮอัลคุซายซึ่งเป็นตระกูลหนึ่งในเผ่ากรีซนะเป็นนักธุรกิจไปเปอร์เซียไปโรมันไปอล้วก็เห็นพวกอารยธรรมต่างๆเนี่ยเขาจะบูชาเจเวิตเขาก็ชอบ ก็เลยเอาจเจวิตมาแขวนที่กาบ์มาเป็นคนแรกทำให้อารับเนี่ยแต่ละเผ่าแต่ละคนเนี่ยเ ข, เขาก็มาแขวนจเจวิตของตัวเองคือมามาสถาปนาว่าตัวเองก็จะมีคนอะไร มันเริ ب ین ب ین ่มต้นเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนเหมือนเหมนเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นนำโชคนำโชคอะโชคดีอะเออแล้วทีหลังก็บูชากันไงทุกทุกเผ่าเนี่ยก็จะมีเจเวิตของตัวเองแล้วมาแขวนที่กับอะกุเรชเนี่ยได้อนุรักษ์รักษาเรื่องชิริกที่ประพฤติปฏิบัติที่กาบะแล้วก็อนุรักษารักษาเรื่องประเพณีดั้งเดิมของกันทำให้เหมือนกันนะนะ ถึงจะถูกบิดเบือนก็ตามแต่ชาวอาหรับนี่เขาจะมองโกรชนี่ว่าเหมือนเป็นเจ้าภาพอ่ะเออ น, น, นะคนคนที่เ็าจะคนนี้ก็จะไปไปที่ส ก, การ์ไอไอแนนนาผีเข้านั่นนะ อ, อ่อพอพอเจ้าอาวาสหรือใครที่เป็นที่เป็น เอ่อที่เป็นอนุสิทของของของหลวงอดีตหลวงพ่อหลวงอดีตแต่จเจ้าวาดอ่ะนะเวลาจะเอ่อจะพรมไอ้ไม่เขาไม่ได้พรมผมเห็นเขาเอาเอาเครื่องฉีดน้ำเลยอะ่ะเพราะคนเป็นมือนะนะที่ผมนั่นนขำมากเลยอะ่ะคือแต่ก่อนนู้นนะก็จะอะ่เอาใช้ใช้มือพรมแล้วที่หลังเนี่ย ก, ก, ก็ก็จะใช้ไอ้ไอ้ ไอก็ บ, บอกเนี่ยเออมาพรมอมควบผมว่หลายคนไงคราวนี้นี่ไม่เลยไอเครื่องฉีดเห็นเครื่องฉีดมหมนั่นนะ่ะเขาจะมีน้ำบนนะแล้วก็สูบน้ำบนนี่มาที่น้ำฉีดแล้วก็ฉีดนั่นแหละคนก็ลม้มคนก็ของขึ้นคนก็ดีคือผมให้เทียบใเห็นนะว่าเรื่องซีริส์เรื่องผีเรื่องงมงายอะนะคนก็ก็เชื่อแล้วก็ ยอมให้เจ้าภาพเนี่ยมีสถานะเป็นเป็นผู้นำเป็นคนที่มีอ่แล้วก็คนที่เขาเขา้าเขาให้สัมภาษณ์กับ พ, พิธีกรเนี่ยตอนท้ายรายการเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้นำเสนอเรื่องนี้ให้พี่น้องเชื่อแต่นำเสนอให้พี่ให้ผู้ชมได้สัมผัสผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยที่เป็นที่เป็นน่าจะเป็นกรรมการของอของงานทศ ก, กาเนี่ย เขาบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาของของวัดเนี่ยถึงเทศกาลยังไงก็ต้องมาเขมามากันเป็นหมื่นนะมากันเป็นหมื่นคนนี่เรื่องง ม, มงายแบบนี้เนะี่ยคนเขาก็ยังไปนั่นแนหะสมัยนึกนึกภาพไนหะสมัยกุเรชทํำเรื่องชีริกง ม, มงายอ่ะนะคนเขาก็ยังไป ท, งทั้งทั้งดิศาสนาแก่นแท้ของศาสนาท่านนาบีอิบรอฮีมที่ท่านนาบีอิบราฮิมไปต่อสู้ ที่บาบิโลนต่อสื่อเรื่องชีริกคนที่บูชาดวงดาวบูช า, จาเจวิตบูชาอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยท่านนาบีบรหิมต่อต้านไปหมดเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยแก่นแท้ของศาสนาท่านนาบีบรอหิมเนี่ยก็ถูกละเลยไปละเลยไปแล้วเนี่ยเอาคนเนาะแต่แ ท, ที่จะมาพิจารณาบอกว่าเอาความชอบที่จะเป็นเพราะใครที่สร้างไปตุลล้อท่านนาบีบรอหิม ถ้าคนนี وم وم ب ب ้จะสร้างท่านเน่ยคนที่จะมาเป็นผู้บริหารบ้านที่ท่านนบีบรหีมสร้างไว้ก็จะต้องอนุรักษ์ซึ่งอุดมการณ์ของท่านนบีบรหิมอัลลอฮฺจุบันบอก์นซูร์บะฮ์ระอินน اآ โวลนาสบิอิบรหิมะละัลลินัตต์บะ ع ูห์วะฮะดัลนบียุนละดีนอามุนคนที่สมควรยิ่งมีสิทธิ์มากกว่าในตัวท่านนบีบรหีมก็คือคนที่ปฏิบัติตามท่านนบีบรหิมก็จะไปตามศาสนาของท่านในบรหีมทําอะไร และนบีท่านนี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดและวรนาผู้ศัทาก็คือที่อนุรักษ์รักษาแนวทางของท่านนบีอยแต่มันไม่ใช่อัลลอฮ์ก็อยากจะให้คนได้เห็นความไม่ชอบที่ชาวกูเรชมาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าเมืองและสิ่งที่อัลลอฮฺ س ب ح ا ว ه และา ع ا ชี้ให้เห็นว่า มันมีความไม่ชอบเนี่ยก็คือหลักการที่ชาวอาหรับทั้งหมดเลยเนี่ยไม่กล้าเถียงนั่นก็คือเรื่องที่มันไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้มันไม่ต้องไม่ต้องมีตัวบทไม่ต้องมีคำสั่งสอนมากากับความไม่เหมาะความไม่เหมาะมันจะเป็นเรื่องที่วิจรรารณญาณของมนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถ ที่จะที่จะฟันธงได้เลยว่าทิง้งควรทำหรือไม่ควรทำในความความเหมาะสมฉะนั้นในอายะก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้พูดถึงเรื่องคนที่มีสิทธิ์ในการที่จะเป็นเอาลเลียเป็นผู้ปกครองใบตุ่นละมากานนี้ก็คืออัลมุตตะกุนคนที่ยำเกรงอัลอฮ์ถัดมาเนี่ยก็มามาบอกว่า พฤติกรรมของชาวกุรชในกาบะในใบตุลละในมัสยิดฮรอมเนี่ยมันสื่อให้เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับคนที่จะมาดูแลมาบรณามาบริหารเมืองหลวงเท่ากับถอดถอนความชอบที่จะเป็นเป็นเป็นผู้บริหารของ หรือเป็นผู้ใหญ่ของคาบสมุทรอาหรับนี่ทั้งหมดเนี่ยพอคุตอ่านได้เล่าเรื่องนี้นี่คือเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนอาหรับไม่ได้อยู่ในคาบสมุทรอาหรับและไม่ได้อยู่ในยุคนั้นแต่อาหรับเนี่ยเวลาเขาฟังคุติอ่านกุตอ่านนี้ก็พอถูกประทานลงมาเนี่ยสหบาบดุลเบีก็ไปอ่านทุกที่นะมันเหมือนเป็นเหตุผลด้านการเมืองอะ่ะว่า ทำไมทำไมอรับยังจะต้องฟังกุเรชยังจะต้องเข้าข้างกุเรชใช้วิจารยะวิจารณญาณหน่อยสิเทียบแล้วระหว่างท่านนาบีมุฮัมมัดและสาวกของท่านจริยธรรมของพวกเขาเป็นยังไงปกติไม่ได้เลยติไม่ได้เลยด้านศีลธรรมด้านคุณธรรมแม้กระทัง่ง อบูซุฟยานไปทําธุรกิจที่เมืองชามในช่วงที่มีการยุติสงครามระหว่างท่านนาบีกับกับชาวมักการในหลังหลังสลุลฮุดฮุดไอบีย่าน ก, ก็คือเรื่องสัญญายุติสงครามเนี่ยอบูซุฟยานก็ไปทําธุรกิจที่เมืองชาม ท่านนาบีก็เลยส่งจุดหมายให้ฮรัคลีสเนี่ยกษัตริย์โรมันนะซึ่งตอนนั้นนะ่ะเมืงองหลวงอยู่ที่ดิมาสคัสเนี่ยดิมาสกเนี่ยอบูซุฟยานเนี่ยและชาวม ก, กาญเนี่ยเขาก็จะมีขราวานช่วงฤดูร้อนนะ่ะช่วงฤดูร้อนก็จะไปจะไปเมืองชาฤดูหนาวก็จะไปยิมเน ไปลาฟุกรชอีลาฟิมร حلة ชิทัย وصف ชิทัยรดูนาวซีฟรดูรอนและสถานที่แรกที่เขาจะไปพักเนี่ยแต่ก่อนนั้นก็เป็นถือว่าเป็นตำบลทีเ่เรียกว่าเป็นเป็นที่พักของบรรดาคารวานที่มาจากพื้นที่ต่างๆก่อนที่จะเข้าไป เ, าเมืองชามเขาจะไปพักที่ไหน เขาจะไปพักที่ตำบลกาซานี่อกาซาเนี่ยนอบดุสซุบยานก็ไปพักที่กาซาท่านนบีส่งจดหมายไปเฮรกลิสที่ดิมาชเนี่ยฉันชวนให้รับอิสลามเฮรกลิสไม่ใช่กษัตริย์ธรรมดาเป็นกษัตริย์ที่มีความรู้ขตองตงต้รวจสอบมีไหมใครที่เป็น เป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของมูฮัมหมัดมีไหมผมว่ามีนู่น่ะอยู่เขกากำลังทำธุรกิจอยู่อยู่ที่กาซะระหว่งางกาซะกับดิมัชเนี่ยก็เดินทางหลายวันนะเฮรกลิสนี่สั่งให้มาเลยเรื่องราวทาั้งหมดเนี่ยนายว่าเสดงานของบุคอรีก็เข้าเฝ้าเฮรคลิสเฮรกลิสถาม ซึ่งอบูสุบยานตอนนั้นน่ะถือว่าเป็นมูชลิกนะและถือว่าเป็นเจ้าเมืองมัการและก็แค้นับบีมากเลยแค้นมากฮิรัลลีสามอัฮัมมัดคนเนี้ยใช้พวกเจ้าให้ทำอะไรคือติอะไรไม่ได้อ่ะเขาบอกก็ใช้ให้เราทำความดีกับพ่อแม่ไม่ขโมยให้ห่างไกลจากอบยมุกจะกติไม่ได้อ่ะ ทั้งจะเป็นศัตรูนะแต่นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่อุลมามะเขาวิเคราะห์เขาบอกว่าอบดุลซุฟยานเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าไม่ยอมโกหกเพื่อนี่ทั้งยังไม่ใช่มุสลิมนะอบดุลซุฟยานยังไม่ได้รับอิสลามนะข้าพเจ้าไม่ยอมโกหกเพื่อไม่ให้มีใครจับผิดในประวัติของฉันนี่ว่าฉันเคยโกหกสักครั้งหนึ่งโอ้นี่กาเฟนนี่เขาคือเขาเขาถือว่าไอเรื่อง ความโกหกตอแหลนี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบว่าลดลดเกียรติะทั้งนั้นด่เขาอยากจะโกหกอยากจะบิดข้อมูลเพื่อใส่ร้ายท่านนบีแต่ไม่ยอมติไม่ได้เลยก็พูดตามความเป็นจริงสหาบะที่อพยพตอนที่นบีอยู่ที่มักกะอพยพไปฮามาชะ ชาวมากาักก้นี่ก็ส่งอัมรุนเลาซึ่งตนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามเพื่อเรียกเอาคืนคนที่อพยพไปอันญ า, าชีนี่ก็ถามว่าแล้วตกลงที่ที่เขาอ้างว่าเป็นนบีเนี่ยแล้วพวกเจ้าไม่เอาเนี่ยเขาสั่งให้ทำอะไรเขาใชใ้ทำอะไรก็ติไม่ได้แสดงว่าจริยธรรมของท่านนบีศีลธรรมของท่านนบี พฤติกรรมของท่านนบีและสหายเทียบแล้วกับชาวมัคการนี่นะมันเด่นชัดมันปรากฏมันประจักษ์ชัดพอคุณอ่านนี่พูดกับคนอาหรับในข่าวสมุดอะเท่ากับบอกว่าใช่วิจารณานิดหนึ่งสิพวกเจ้ายังจะยังจะเข้าข้างกุริชทั้งนั้นนี่พฤติกรรมของเขาทั้งนั้นนี่ ความชอบในการที่จะเป็นผู้บริหารมั ก, ก้าเนี่ยเทียบแล้วกับท่านนี้มันมันมันมันไม่มันเทียบไม่ได้เลยอายะทีนะสส่สามสิบห้าเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นอายะที่พูดที่เทียบพูดถึงเรื่องพฤติกรรมของชาวกุรชแต่ที่จริงแล้วมันเป็น อายะที่เล่าเรื่องที่ไปที่มาของด้านการปกครองด้านการเมืองซึ่งควรที่จะใช้ถ้าหากว่ามีใครที่จะเล่นการเมืองหรือจะโต้ทางการเมืองทา ง, ทางการปกครองอนนะนะ ควรที่จะใช้ข้อเท็จจริงและสิ่งที่ให้คนพินิษพิจารณาใช้วิจารณญาณเปรียบเทียบเนี่ยก็คือเรื่องฝ่ายที่มีศีลธรรมกับฝ่ายที่ไม่มีศีลธรรมแต่การเมืองการปกครองในปัจจุบันมันไม่ใช่ล่าสุดเนี่ยดิเบต ร, ระหว่งางไบดินกับทรัมป์นี่ก็เห็นนะเหมือนเด็กอนุบาลทะเลากันเลย เหมือนเด็กอนุบาลหรือเหมือนแม่ค้าที่ฉันทำไว้ในใน่เดเดือนเนี่ยมากกว่าที่แกทำไว้47ปีี่ที่ลูกของฉันเป็นอย่างนี้ลูกของตัวเองเป็นแบบนุ้นไม่มีไม่มีอะไรที่ที่มันเป็นเกาะเป็นกรรมด้านเหตุผล ที่สามารถเปรียบเทียบที่สามารถให้ให้ให้ให้ปัญญาชนเนี่ยสามารถเปรียบเทียบสามารถเปรียบเทียบได้ซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาฮว่าลให้เราได้ใช้วิจารณญาณตรงนี้ด้วยนะในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยในการที่จะ พิจารณาบุคคลที่จะมาเป็นผู้นําพิสูจน์ที่อะไรยะพฤติกรรมของเขาพิสูจน์ศีลธรรมของเขาพิสูจน์ที่จริยธรรมของเขาความเหมาะสมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่จะให้ชาวเมืองสามารถเลือกผู้นําที่มีความชอบนะครับพอพูดถึงเรื่องคนที่จะบริหารมากค่าเนี่ก็คือต้อง เป็นคนที่มีตะกวานีโดยรวมนะในอายะ3์สิบ้านี้ก็มาเจาะจงละเรื่องพฤติกรรมที่เป็นรายละเอียดว่าการละหมาดของพวกเขาณบ้านของอัลลอฮฺ นม่ไม่มีความขัดแย้งระหว่างชาวกุเรชกับชาวกับชาวมุสลิมว่าเรียกกลุมที่ดินที่มามาตัดสินหน่อยดิว่านี่ตกลงมาเ ก, ก้าเป็นของใครยอมรับกันว่าเป็นบ้านของอัลลอฮ์ไม่มีความขัดแย้งณนะบ้านของอัลลอฮ์มีปรากฏว่าการละหมาดของพวกเขาณนะบ้านของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างอื่นนอกจากการเป่าเสียงวีด อับดุลเลมีอัลทอมานะครดุลลมีอัลโอมาร์นี่ได้กยกตัวอย่างว่าเอานิว้วเอานิวาน้ ว, อ, ว, อ, วอมไว้ที่ปากแล้วก็เป่าเออเราก็นึกภาพเลยอ๋อเป่ากันยังไงให้ทําเป็นบ้างมทำเป็นาเพราวิธีนี้เนี่ยก็คือเป่าอีที่ดังที่สุดใช่ไหมอา่าถ้าแต่เป่าไม่ใชไม่ใช้ไม่ใส่นิ้วไม่ไม่ไม่อมนิ้วอย่างเงี้ยเออมันเนี่ยแต่บางคนเนี่ยถ้าอมนี่เถอะ อมสองนิ้วอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ดังมากเลยนะเ อ, เ อ, อมยองมรบกว่าเนี่ยเขาใช้วิธีเนี่ยใช้ออมนิ้วแล้วก็เป่าเปาวีดปาวีดและการตบมือเท่านั้นไม่ปรากฏว่าเขาละหมาดด้วยวิธีอื่นนอกจากตปาวีดและตบมือนี่คือการละหมาดของเขาแค่นี้เอเราบอกว่าใช้วิธอะไรอย่างเงี้ยละหมาดนะ สกสารพระเจ้านะปวีดระบบมือเทียบแล้วกับการละหมาดของมุฮัมมัดที่เขาไม่เห็นกันอารับทั่วอารบเนี่ยเวลาเ้ามาทำมาจีเนี่ยเขาเห็นนบีเห็นซอฮาบะเนี่ยเวลาเขาอ่านกุรอ่านเขาสงบเฉื่อยยังไงเขาตะว่าฟยังไงเขาละหมาดยังไงเขาสู้อยู่เขารู้ก็เห็นแค่นี้เนี่ยเราเทียบเทียบไม่ง่ายอ่ะ สมควรไหมคนที่เขาละหมาดกนะบ้านของอัลละ์แบบนี้กับคนที่เวลาเขาละหมาดเขาทำแบบนี้สมควรไหมที่จะเป็นกรรมการมัสยิดกับกรรมการมัสยิดฮะรอมเนะี่ยไัสมควรไหมอยากกรรมการมัสยิดจัดงานเอาเปิดตะกอนนุหนังอินเดียอะไรเงี้ยทันไหม ต้องบัดนี้น่าจะทันถ้าไม่ใช่หนังอินเดียก็ไม่ใช่ไม่ใช่งานแขก <laughs> มันงานแขกอ่ะมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีห น, นังแขกอ่แล้วถ้าแบบเอ่อมีเชื่อมาลายู ช, ชัดๆนี่ก็ต้องมีเพลงมาเลเออแต่ตอนนี้ทำดูแลถือว่าเอหายไปเยอะละหวังว่าน่าจะมีงานไว้ี่มา อันนี้อันนี้กำลงังบอกว่าคือเหนในอดีตในอดีตเนี่ยอัลลอฮฺสุานะตะละยเทียบว่าคนที่จะมาบริหารจัดการศาสนาสถานเนี่ยคือเขาต้องทำอะไรที่มันมีความชอ็อกปะทำอะไรที่มันดูมีเกียรติสอดคล้องกับศาสนาสถานที่ตัวเองกำลังบริหาร น, นี่โคเรชเขาลมาละม า, ะมายังไงละมาแบบนี้นะ เช่นเดียวกันให้เราพูดถึงมัสยิดเนี่ยจัดกิจกรรมอะไร อ, อ่ะละมาดไม่ต่างอะไรเลยบางทีเนี่ยเห็นมสัสยิดพี่น้องลองไปดูคลิปทั้งบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศอ่ะนะแต่ว่าเรานี่อาจจะอาจจะเบาหน่อย บารเรานี่ถ้าคขาเรียกกตเตเกตเตบาร์เราเกตเตนี้ไม่มีกองนะไม่มีปบมืออ่แบบเพาะที่สุดแล้วนะเล il il อีลเฮอิลลัลลอเลอีลเฮอเป็นจังหวะแบบนี้นะแล้วก็แบบโยกกันหน่อยนะใช่ป่ะเออขีเห็นนะ อนนี้พออันนี้มันเป็นทํานองสากลของบ้านเราอะนะไปในอุปกรณไปใช้กันนู่นนะ่ะไปมีนาไปออร์ไปทำฮนะีนั่นนะพอไปมีนานี่ก็เจอกลยเต้นใกล้ใกนี่ยกัเกยกยนเนยนเะนี่ยไอ้ทำ น, นองเนี่ยเป็นทํานองสากลหน่อยอิละอิลล allah มันเน้นอิลล allah เนี่ยต้างต้งแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยมีกล้องด้วยนะมีป บ, บมือด้วยนะ แล้วก็มีมีแบบเนีย่ยไปดูที่ชิ ช, ช, ชนีนมีมีแบบ เ, เดินวงกัน่ะแล้วก็มีเดินวงสวนกันที่ตุรกีก็มีมีแบบโยกไปโยกมาไม่ต่างอะไรเลยในมสัสยิดที่เราเรียกว่าในบ้านของอัลลอฮ์นบีเคยทำมาสหายบเคยทำมาแล้วความสงบเสงี่ยมของการสักการะพระเจ้า ที่มันแสดงถึงอิบาฮคมขูชวัวเรื่องความนอบน้อมถ่อมตนเรื่องความสงบเงยายาี่ยมของผู้แสดงเวลาประกอบศาสนกิจตั้งแต่สมัยท่านนาบีอิบราฮิมจนถึงท่านนาบีมูฮัมหมัดละให้ให้ประชาชนทุกยุคยุคได้เปรียบเทียบมันได้เห็นชัดไงคือในอิสลามเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยัดเยียดไม่มีใครสามารถบอกว่าไอ้ไอ้นั่งกระเตะ ก, กันนี่นะอันนี้มีแบบฉบับ ในคุรานมีในฮะดิสมีไม่มีใครอ้างได้มานั่งวงกันแล้วก็เดินวงกันหรือตีกองกันฮะร้องกันในมสัสยิดและอ้างว่านี่คือเขาเรียกวงซิกิตซิกิต ร, รมึกถึง AH. อัลลอ์เขาก็มีเขาก็มีมีข้ออ้างนะว่าที่เขาทำเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเสียงเสียง เสียงร้องที่สอดคล้องกับจังหวะของกลอนหรือหรือกลองทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการสักการะอันเดียวของเหตุผลชาวมักกะที่เขาตะวาา่ารอบๆใบตุ่นล้อเนี่ยบางคนก็เป่าวีนบางคนก็ปอบมือและอ้างว่านี่คือสักการะากนลน ล, ล, ลิิดดบยอหสี ิึงสามารถนำมาเป็นคำชี้แนะในอายะเนี่ยที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กำลังบอกว่าความชอบธรรมในการบูรณะบ้านของอัลลอ์เนี่ยจะต้องอนุรักษ์รักษาศาสนกิจที่มีคำสั่งสอน แต่ได้ถือว่ามีความชอบธรรมในการบริหารจัดการบ่านหัวเพราะอันนี้เท่ากันเราบอกว่าเฮ้ยเป่าเป่าไม่ได้ไม่ได้เป่านกขุดน่ะก็เป่าวีดเป่าวีดเป่าเสียงวีดเป่าเสียงวีดแล้วก็ปบมือเนี่ยอ้างอิเป็นการสกสารแต่มันมีความชอบธรรมไหมไม่มีความชอบธรรมแสดงว่าพวกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบริหารใบตุ่นหัว มันก็ควรบรรจุในระเบียบของาศาสนสถานว่ากรรมการมสิทิจะต้องดำรงกิจกรรมด้านาศาสนาอันสอดคล้องกับคำสั่งสอนอันที่มีตัวบทชัดเจน และหลีกเลีย่ยงอุตริกรรมศาสนกิจอันเป็นอุตริกรรมทำไมอ่ะนี่ไงตัวบทจะเจนและถ้ากรรมาการมัสยิดประพฤติปฏิบัติบริหารปกครองนำมาซึ่งกิจกรรมอันเป็นอุตริกรรมที่ไม่มีคำสั่งสอนไม่มีตัวบทหมดความชอบที่จะเป็นเป็นอะไร กรรมการพูดไปเลยพูดไปเลยเพราะในระเบียบในระเบียบของคุณสมบัติว่าด้วยกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทย และตัวตลาราชมนตรีเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยบางทีเนี่ยก็มีอะไรที่มันมันไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยเช่นต้องเรื่มใสในรัฐธรรมนูญ ม, มีพระมหากษัตริย์เป็นบบซึ่งซึ่งเรื่องนี้มันไม่เกีย่ยเกี่ยวกับหน้าที่ของความเป็นผู้นำด้านศาสนาอิสลามนี่ออกมามีมคุณสมบัติของ อผู้ว่าธนาคารแห่งชาติเนี่ยต้องเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอนุรักษ์มันก็เป็นกษัตริย์ไม่มีแล้วทำไมกรรมกาอิสลาเมซิดเนี่ยทําไมต้องมีทําไมทั้งดที่แบงก์ชาติเออต้องคือต้องแสดงความเลื่อมใสกับประเทศชาติเนี่ย แต่นีมันเป็นศาสนาสถานนมันไม่เกี่ยวมันม่กี่ยวกับเารเมืองไม่เกี่กัเรื่องอะไรเลยอะ่ะทำไมต้องเอาต้องเอาเอาเรื่องเอาเรืเอ่องความเลื่อมใสในระ บ, บ, บ, บ, บอบระบอบการปกครองเนี่ยมามามาเป็นเงื่อนไขในในคุณสมบัติของตาแหน่งล่ะทำไมอะ่ะแล้วต้องเลื่อมใสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะของท่านอับดุลลอฮฺสัลเลมเป็นธรรมาแห่งชีวิตมีไหม มาสับชาวีออโอเคขอให้มีอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับศาสนาบ้างอ่ะเออเป็นกรรมการจะต้องเป็นคนดีเลื่อมใสในมาสับชาวีก็ว่าก็ไม่มีนะไม่มีเหมือนกันนะแต่ต้องเลื่อมใสในธรรมนูญที่เปลี่ยนกันทุกห้าปีนี่สิบสี่ตุลานี้ก็เลยหลังจะกขาหลังจะหาเรือยจะเปลี่ยนกันไหมเนี่ยมวลเดียวจบ ในความตลกนะของคนที่มาจะมาดูแลบ้านของอัลลอ์เนี่ยจะต้องจะต้องมีคุณสมบัติยังไงมันต้องเอามาคิดอ่นะมุสลิมไม่เคยเกี่ยวข้องในการที่จะมาร่างคุณสมบัติของผู้นำวงเขาเลยส่วนมากนี่เขาก็สะสะรกรรมการร่างระเบียบกรมก ร, ร, มกรมการร่างรัฐมนูญกรรมการร่าง กฎหมายเขาก็มาร่างสีห้าคนสิบห้าคนาร่างสเสนอไปนิสภาอายกมื อ, อโอเคผ่านจบส่วนมากก็จะเป็นสถานการณ์ด้านการเมืองที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะ ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบต้ก่อนุนจะหาเสียงกับชุมชนมุสลิมทำยังไงอา้าวใครเป็นอิหม่ามขอเตบบิลันยกเว้นไม่ให้เกนาหาร แต่ก่อนนุ้นน่ะจะเป็นอิหมัมขเ้เตบบลันปีละคนมีเลือกตั้งปีละพอใครถึงเกณฑ์ทหารน่ะนะยัดเป็นอิหมามเลยพลไม่ต้องจับใบดําใบแดงกันเลยน ะ, ะยัดเป็นอิหมามเลยเลือกตั้งเป็นอิหมัมเป็นขเ้เตเบะันพ้นแหละฉะนั้นตัก่อนนุ่งไม่มีนะอิหมัมตลอดชีพเหมือนตัก่อ น, นุนเขาเขารู้กันนะว่ า, าตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้เพื่อรองรับหาเสียงไงํารทำพอไม่พอไม่เว้นแล้วนะอ่ะนะถ้าไม่เว้นแล้วเนี่ยกิมามก็อยู่อยู่ตลอดเป็นตําแหน่งอิมามเขาเต็ม บ, บิลันเป็นตนําแหน่งตลอดตลอดชีพไม่ใช่ตาแหน่งเกี่ยวกับคุณสมบัตินะอัลลอฮฺบอกว่าเขาอิบาดะเขาละมานี่ย ปรากฏมิปรากฏวกุาการละมาดเขาอื่นใด น, นอกจากการเป่าเสียงวีดและปบมือแสดงว่าเขาเนี่ยเชื่อว่าการเป่าเสียงหวีดแล้วก็ปบมือเนี่ยมันเป็นอิบาร์ดาแต่อัลลอฮ์แยงบอกว่าถ้าใจบาดาต่ออัลลอฮ์มันไม่เหมาะแบบนี้ไม่เหมาะ ท่าน نبي صلى الله عليه จึงให้ทศนะในเรื่องทักอิหมัมเนี่ยแต่กีเนี่ยตอนตอนเกิดเอเรเอรเนี่ยากาศที่สามเนี่ยอเร่เนี่ยทักอิหมัมกันไม่เป็นเนี่ย เป็นเ r เรใช่หแฮงใช่ไแฮงไม่รู้จเป็นยังไงบาคนบอกว่าให้เช็คเรียกเลยให้เช็คสา ม, ส า, มรกการากัรใช่ป่ะแต่กิดนั่งสามใช่ป่ะแต่หิบสามก็สุบฮานั่นละสุบฮานัละสุบฮานัลล่นละแฮงเหมือนกันนะั่นถึงเอรไงมันมันแฮงอ่ะแต่ดีนะไม่ได้ทำเหมือนมือถือ หรือคอมเนีย่ยเวลามันแห้งทำอะไรรีสตาร์ทออกจากกละมันเล ย, ยไปไม่รอดาีด่าอ่ออกเลยาฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่งสังเต่ตฮสสัาฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่งผมก็คาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮลาฮ่า่าฮ่าฮ่นฮ่งอะไร่าร่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่ ใช่นี่ให้ทักยังไงสุภานั่นล่ะจำได้นะไม่แห้งแล้วนะแต่ไม่ใช่อะไรเอะอะไรก็สุภานั่นอนะคืออะไรที่มันเป็นรูปร่างของการละหมาดไม่ใช่ผมเนี่ยคุณอาอูซุบอัลอฮฺอลฟลักอุมินชัรีกาซิกิลิมไอยานินสุานั่นล่ะลิมไอยานี่กทักสุภานั่ลอะเนี่ไม่ใช่นะถ้าผิดเรื่อง เรื่องอายะนี่ก็ทักอายะเลยมัยสุภานัลลอฮ์นะโดดไปห้งอีกทีหนึ่งฮะแล้วผู้หญิงล่ะสมมติว่าเป็นอิหม่ามไม่มีมหมุมเป็นผู้ชายในยเป็นผู้หญิงน่ะนบีก็เลยให้ทันาเรื่องทักของผูอินนะมัตตสฟีกุลินดิสาตสฟีกคือก็คือการปบมือเนี่ยเพื่อทักอิห ม, ม่าเพราะเป็นไปได้ว่าอิหม่ามอาจจะพลาด ในละหมาดโดยไม่มีมะหมุมเป็นผู้ชายเลยเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเป็นไปได้ถ้าผู้ชายไม่มีหรือผู้ชายเ อ, อร์แบบเนี้นะก็คือแกคือแฮงนะแต่ผู้หญิงไม่แฮงอผู้หญิงก็สามารถทักได้ด้วยปบมือปบมือเองอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้น ะ, อะปอบมืออย่างนี้เพราะวางมืออยู่แล้วใช่ปะกอดออกอยู่แล้วใช่ปะแค่แค่ปบมืออย่างนี้ดังก็ได้ อะไม่ใช่รูปมือนะอิหม่าไม่ได้ยินหรอกผู้หญิงอย่าอายนะอย่าอายนะเรื่องเนี้ทําไปเถอะอันนี้ท่านน บ, บีแนะนำมาอินนะว่าตสุวิกลินดิสะตรงนี้ได้เป็นเรื่องทักทักความผิดพลาดของอิหม่า ม, มันไม่ใช่เรื่องอิบาตดะแยกแล้วนะแสดงว่ามีในละหมาดเนี่ยมีการปรบมือสําหรับใครไม่ใช่ผู้ชายสําหรับผู้หญิงอย่างเดียวและในกรณีทัก มันไม่ใช่เรื่องอิบาดาต้องไหมอ่ะแสะดงว่าจบแล้วนะในเรื่องอิบาดาเนี่ไม่มีแล้วถ้าไม่ไม่ใช้การปบมือหรือเป่าเสียงวีดในเรื่องอิบะาดาละ่ะใช้ในเรื่องสนุกสนานในการเรียกคนในการเชียร์เชียร์กันและเล่นอะไรที่มันฮาลาสอย่างเงี้ยปบมือได้ไหม ทัศนนาที่ถูกต้องเนี่ยปบมือได้ไม่เ ก, กี่เรื่องไอ้บาดาเลยทำไมอ่ะก็เอาบอกว่าพวกคุณเนี่ยเอาเรื่องปกมือเรื่องเป่าเสียงวีดที่มันเป็นเรื่องไรเล่นน่นะเอามาใส่ในเรื่องไอบาดาซึ่งมันไม่เหมาะโดยปริยายเนี่ยจะเข้าใจว่าเอาแล้วก็ถ้าปบมือในเรื่องที่ไม่ใช่อบาดาล่ะมันก็ไม่เป็นข้อตาหนิแต่อย่างใด อ่าชอบคนก็เล่นบอลแล้วก็ชอบอ่าปอบมือหน่อยหรืออ่าเป่าเสียงวีดหน่อยได้ไหมได้ผิดไหมไม่ผิดในทัศนะรที่ถูกต้องมันมีฟะตัวของอุลลามาบางท่านที่เขาบอกว่าไม่ได้มุสลิมดาไม่ได้ปอบมือเป่าเสียงหวีดไม่ได้ใจบาดะไม่ใจบาดะจะเล่นไม่เล่นนไม่ได้ทําไมอ่ะเพราะแต่ปอบมือนะเนี่ย ของกฟ้าเนี่ยเขาจะบวมมือตอนตะวัฟละหมาดเขาอ้างแล้วถ้าเรื่องเป่าเนี่ยก็ น, นี่ไงเขาก็ใช้เป็นเป่าและยิ่งกว่านั้นมีเรงงานว่ากลุ่มชนนบีลูกเนี่ยเขาจะชอบเป่าเสียงวีดเวลาเขานั่งกันก็จะชอบเป่าเสียงวีดจึงเป็นพฤติกรรมของกลุ่มชนในระชาชาีกลุ่มชนที่ไม่ดีที่เลวร้ายในวาชาชียุคก่อน ซึ่งในรายงานนั้นก็ไม่ใช่รายงานที่แบบพสอ่อเี้ยนะถึงจะเป็นรายงานสอเี้ก็ได้บอกว่าพฤติกรรมของคนเลวร้ายเนี่ยที่เขาจะชอบเป่าหวีดน่าจะเป่าเสียงหวีดเนี่ยในเรื่องเลวร้ายที่สอดคล้องกับการกระทาของเขาเพราะในในรายงานที่เขาบอกว่า กลุ่มชนนบีรูดเนี่ยพฤติกรรมเลวร้ของเขาเนี่ยเขาจะชอบผายลมเวลานั่งกันชอบอวดผายลมและก็เป่าเสียงหวีดอ่าชอบแข่งอ่าประธานโทษนะชอบแข่งตดกันนะ่ะถ้าบ้านเราถ้ามีใครชอบแบบนี้นะอ่ะนะเวลานั่งกันนะก็ใครจะดังกว่าใครอ่เนี่ยที่เคยเห็นกันเห็นกันแล้วกรร็รู้กันว่ามีอ่ะนะในบางพื้นที่นะ่ยเลิกซะ อันนี้ี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกต้งบบกองใน ม, มัลติคมัลติมีดีท่านนบสีสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนหะานมินอัดรตท่านนบีห้ามไ ม, ม, ม่ให้หัวเร า, บ า, บาะถ้ามีใครไปร่มใครไปร่มแล้วเราหัวเราะนี่บาปทำไมอ่ะแล้วมึงไม่ตดหนึงไงคนอื่นตดใ น, นมึงหัวเราะแล้วถ้ามึงไม่ไม่ตดเนึ่งง มันไม่ใช่เรื่องที่น่าหัวเราะหายลมเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์สร้างไว้ในระบบภายในของเราจะได้ขับขับลมออกเหมือนเรื่องจามเหมือนเรื่องไอที่ไอนออี่หัวเราะมะไม่หัวเราะจามหัวเราะไม่หัวเราะถ้าายลมอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทำให้ทำให้สุขภาพรักษาสุขภาพของเรา คนนู้นเขาก็หายลมเราก็ผายลมเพราะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันในวิวัฒหัวเราทไมแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งลำไส้คนที่มีปัญหาเรื่องทายและมีปัญหาเรื่องแก๊สในลำไส้และกระเพาะเนื่องจากว่าไม่ผายลมในจังหวะที่ต้องภายลมเพราะอะไรกลัว อันและบางทีก็นั่งประชุมกันเป็นชั่วโมง่งเงี้ยและบางคนก็มีปัญหาเรื่องกระปิดกระปลอยภายลมเหมือนกระปิดกระปลอยปัสสวะเหมือนกับผิดกระปลอยอุจาระจะอั้นยังไงอะและบางคนไม่มีนะแต่การอั้นทําให้เขาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะก็จะมีปัญหาเรื่องกล้ามกล้ามเนื้อทวารนนะักจึงจะเป็นกระปิดกระปลอยภายลม คือคือผายลมโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากว่าอันอันอันเพราะอะไรอายกลัวอายดูดูถ้าผายลมดูเขาจะหัวเราะนี่ดูสุนนะของท่านนบีนะสุนนะของท่านนบีะถ้าคนผายลมนี่สุนนะทำอะไรนาะยบ่กว่าห้ามหัวเราะทำยังไงก็ทำเก็เฉยดิก็เหมือนคนไอายอะแต่ผายลมนี่มันไม่มีสิเกิอะไรอนะ คนจามคนจามก็อัลฮัมดุลิลละคนที่ฟังเขาจามเนี่ยก็กล่าวอย่าห้มกุมุลลอฮ์ถูกต้องไหะคนที่เขาจามนี่ก็อย่าดีกุมุลลอห์ว่อยู่สลิบลลกนี่สุนนะของท่านนบีนี่ควรทำมันนะแต่พวกเรานี่อายอายจามแล้วมันจะซอปอัลฮัมดุลิลละเราอ่านตัวฮาไม่ถูกมัเป็นเรื่องไม่กล่าวเลย ล้บางคนเนี่ยอายไม่กล่าวอัลฮัมดุลลอฮ์ว่ารักยิวนะยิจะอะไรกับยิวแกล้งจามต่อท่านนบีอาเจนอัลฮัมดุลิลละเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยกล่าวยอย่าทำกุมุลลอหคือขอด้วยเราเนี่ยจามจริงๆเผื่อมีคนซอเลกคนนี้ละอัลฮัมดุลิลละก็มีคนอย่าทำกุมุอหแล้วถ้ดูอามุสตะยาบล่ะของเขาล่ะ ใช่แล้วเรื่อนี้อย่าายกันนะจามอยุ่ร ah. ิแลคนอื right ่นจะตอบไม่ตอบนี่นะก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราทําหน้าที่แต่ที um ่จร <Yeah> ิงเนี่ยการกล่าวทำดุริแลเป็นสุนนะการตอบเนี่ยมันเหมือนสลามนะการริเริ่มสลามเนี่ยสุนนะแต่ตอบอ่ะรับสลามเนี่ยว่าจิบนิ่เหมือนกันทำดุริแลนี่เป็นสุนนะแต่ตอบเนี่ยว่าจิบนั่งอยู่อยู่ข้างหน้านี่มาสิแล้วก็มีคนนั่งอยู่ด้านหลังมาสิ้นู่นนะ เก็จาม้อบ้าสิกลัวกวเข้ากล่าวอัลฮัมดุลิลแล้วลก็กล่าวหรือเปล่ากล่าวไม่กล่าวยาหมุกุลลอฮ์อิดะกุลตะอัลฮัมดุลิลละก็ขอให้ฉันทำนั่นีแล้วกันถ้าทำกล่าวอัลฮัมดุแล้วก็ขอยารหมุกุลลอฮ์นี่เป็นเรื่องหนึ่งในสังคมบาราที่ไม่ค่อยไม่เอาบาราเนี่ยแม้กระทั่งสังคมอาหรับทั่วไปนี่เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเคร่งคัดกันในเรื่องเนี่ย บางทีเนี่ยก็เหมือนเรื่องผายลมเหมือนกันนะเอาเป็นเรื่องตลกจำให้มีเสียงแบบตลกเอาเาใช้คนหัวเราะขำแบบมันไม่ใช่เรื่องขำอ่ะ ม, มันไม่ใช่เรื่องขำเลยอะเรื่องนี้เราอย่าอายกันนะอายละ่ะมีไหมไม่มีฉะนั้นอย่าไปวเราะ อ, อันนี้ไม่หัวเราะถ้าอายแล้วก็ทำดูแลไม่มีไม่มีให้กล่าวนะ แล้วก็ไม่มีให้ตอบด้วยอันนี้ทราบกันดีแต่ที่คนที่ไม่ทราบกันแล้วก็ส่วนมากก็จะชอบแถมกันนะหาวหาวทําอะไรเอาสุนนะไม่มีสุนนะแล้วมาจากไหนอ่ะมาจากไหนอ่ะคือนบีบอกว่าอัลตเซอุมีในเชตตอนนบีบอกแค่เนี้ยบอกว่าเรื่องหาวนี่มาจากเชตตอนแค่เนี้ย อ๋อออนี่กูแจ๋วไงกูถ้าใช้ตอนแสดงก็ต้องต้อเอาสุนนะนี่นิดนิดนิดนึงอะไรที่เป็นซิเก็ตอะไรที่เป็นอ้บาดานี่ถ้าไม่มีสุนนะนี่ก็ไม่ไม่ตรงข่าวสุนนะของท่านนบีเนเรื่องหาวเนี่ยก็มีอยู่สองระดับหนึ่งก็สมมติแต่แท้ก็ก็คือ ก็ ค, คือระ ง, งับปากเลยพยายามที่จะระ ง, งับปากไม่หาวเลยไม่ต้องไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้ระ ง, งับไม่หาวไ่ ใ, ไ ม, ใไม่ให้อ้าปากอันนี้ขั้นที่ดีที่สุดขั้นที่สองเนี่ยไม่ไหวแม่ส่วนมาดูดคือธรรมชาติที่เราสร้างกันนะะคนม่วงนี่ก็ต้องหาวเนาะคนที่หาวนีสองประเภทหนึ่งคนม่วงสองผีเข้า โดนของนั่นแหละนะรู้ได้เลยหาวทั้งวันโดนของระดับที่สองเนี่ยถ้าปิดปากไม่ไหวเนี่ยทำอะไรก็เอามือมาปิดทศนะอุลัมาส่วนมากก็บอกว่าเอาหลังมือมาปิดอย่างนี้หรือมือต้องมือซ้ายนะไม่ควรที่จะเอามือขวานะครับถ้าสรุปแล้วเรื่องปบมือนี่ถ้าเป็นเรื่องเล่นเรื่องดุนยาไม่ใช่เรื่องไอบาดา ไม่ใช่เรื่องศาสนาเนี่ยอมมือได้นะเล่นบอลกันอย่างเงี้ยหรือจะเรียกเอ้ยบงับงบงอ่ะโอ้บงังเรียกเป่าเสียงหวีดบัง เ, เป่าได้ไหมได้ในทัศนะอุลามะส่วนทศนอยู่ต้องไม่มีปัญหาแต่ปัญหาเวลามีกิจกรรมด้านศาสนาประวัติคุรานย่างเงี้ยประวัตฮะดีสประวดเรื่องศาสนาหรือบรรยายเรื่องศาสนาเนี่ย เสกลงมาจากกุฏิโลกจวอันไม่ควรนะไม่ควรไม่ควรที่จะปบมือในกิจการด้านศาสนาเพราะอะไรอ่ะเนี่ยเกรงว่ามันเข้าขายอ่ะเพราะชาวมักกาเนี่ยเขาจะปบมือในกิจการด้านศาสนาก็คือเรื่องเรื่องเรื่องละหมาเ ร, ง, เรงตวารสามาบางท่านบอกว่า ที่จริงอันนี้ทัศนะหนานึ่งที่เาที่เขาอธิบายอายะเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงชาวมุกกาเนี่ยเขาไม่ได้ละหมาดด้วยการปบมือหรือเป่าเสียงหวีดแต่เขาแกแล้งแกล้งแกล้งว่าปบมือและเป่าเสียงหวีดตอนเห็นท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยละหมาดหน้าตาบ่พอเขาตะว่าเนี่ยพอเขาตะว่านะ าตอนเยพอเห็นท่านนบียืนละมาดอยู่หรืออ่านุอ่านอยู่เ ข, ขาก็จะแก้งปมมือตอนตวาฟอตอนประกอบที่อัลลอ์บอกว่ามากาอลทุมินดลเบตทุกรายงานงานี่เขาบอกว่าก็คือการตวาฟของเขาเอ้าวและการตวาฟนี่เป็นการละหมาดนะใช่ท่านในมูฮัมมัดสุลตลานก็บอกบอกว่าการตวาฟนี่ก็เหมือนการละหมาดนี่แหละแต่มันจะไม่เหมือนกันในบางเงื่อนไข ตาวาฟนี่ไต้องหันหน้าไปกิบเลือดต้องหันปะถ้าหันเนี่ยเตาวาฟไม่สออ่าถ้าตาวาฟหันหน้าไปกิบเลือดนี่ไม่สออันนี้เอกฉันสองตาวาฟเนี่ยพูดได้พูดคุยได้ให้มาตรงนี้หน่อยให้ระวังระวังระวัเท่าไรแล้วกี่กี่รอบแล้ว เอ่าแต่ละมาดเลยอยู่กรกรากแล้วไม่ได้ต่างกันอันนี้ก็เอกฉันที่ไม่เอกฉันเนี่ยเรื่องที่สาที่ไม่เอกฉันเนี่ยละมาศนี่นะละมาดละมาศส่วนแรนี่นะต้องอาบน้ําละมาศแต่ว่าต้องอาบน้ําละมาศไหมอ่าทัศนอุลมามะส่วนมากบอกว่าต้องอาบน้ําละมาศโดยอ้างว่าท่านนาบีโโสโลสันลำบอกว่าการละมาด คือการการตวารคือการละหมาดเขาก็เลยเทียบเขาบอกเขาแสดงว่าทุกอย่างก็ต ¿que ้องเหมือนกันแต่ที่จริงในมันมีบางอย่างไม่เหมือนกันน่ะและไม่มีหลักฐานเจาะจงชัดเจนว่าการตวารเนี่ยจะต้องอาบน้ําละหมาดและมีรายงานจากท่านอัสไซนิบเนวารีซึ่งเป็นซอฮาบะเป็นหลังท่านนบีสุลตรอร์สัตย์ท่านตะวารโดยที่ไม่ได้น้าละหมาดไม่มีน้ําละหมาดทัศนะนี้เหมาะสมมากในยุคปัจจุบัน ไมใช่ยุคโควิดนะคือยุคอยู่ก่อนโควิดนะคนในเวลาเข้าตะวาฟกันนะ่ะเสียน้ําละหมาดเนี่ยกว่าจะออกไปอาบน้ําละหมาดแล้วกลับมาตะวัฟอีกรอบบนนั่งงานนะขึ้นวันเลย <laughs> คือหมดสิทธิ์เลยอ่ะฉะนั้นสองดั ว, วตวัฟสามรอบแล้วก็เสียน้ําละหมาดทำยัง ไ, ไงอ่ะตะวาฟต่อในทัศนะที่ถูกต้อง รายงานที่เขาบอกว่าเอา้าที่จริงเขาไม่ได้ละหมาดด้วยการปบดมือด้วยเป่าเสียงหวีดแต่เขาแกล้งทําแบบนี้เพื่อก่อกวนท่านนาบีสลุลต่านอะไรก็เสร็จเกรนั้นก็ตามมันก็ไม่หมดมันก็ไม่หมดแสดงว่าอัลลอฮ์กาลังเปรียบเทียบบอกว่า เห็นไหมชาวมักกะเนี่ยไม่สามารถที่จะโต้เถียงคุรานหรือความสงบเสงี่ยมของการอิบาดาการและมารดุษทนนาบีไม่สามารถโต้เถียงด้วยอะไรเลยนอกจากการตบมือและกระเป๋าเสียงหวงีนี่ถือว่าจนบัญญามิจนบรรัญญาจนบรรัญญาฉะนั้นคนที่ใช้ วิธีก่อกวนกับคนอื่นโดยไม่มีเหตุไม่มีผลรำคาญ ร, รำคาญคนนี้โอ้เอะอะไรก็เอไออุกระเหลือเกินเปิดเพลงให้ลั่นเลยกว น, นจนจนบรรัญญาอ่าคนนี้บ้านนี้องค์กรนี้อะไรเงี้ยไม่ชอบขี้หน้าทําไมร้องเรียนร้องเรียนฟอ้อ ง, เ ร, อ ง, เ, รองเรื่องนู่นเรื่องนี้ จนปัญญาในการในการต่อสู้ด้วยความชอบเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮฺไพร์โะตะลาบะกว่าวชาวมักกะเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับท่านนาบีซุลลัลลอฮฺอะลัยฮิสแลลฺด้วยปัญญาต่อต่อสู้ด้วยเสียงเสียงอะไรเสียงบวมอือและก็เสียงเสียงวีดเป่าวีดเป่าเสียงวีด ซึ่งซึ่งคนที่ปบมือและกระเป๋าเสียงวีดเขาไม่เขาไม่ต้องใช้สติปัญญาไม่ต้องใช้ความรู้ชึกการทุกคนทำได้คนที่มีปัญญาก็ทำได้คนที่ไม่มีปัญญาก็ทำได้ฟาซกุลอาซาบิบมาคุนุมทักรดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มการลงโทษเถิดเนื่องด้วยการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา อันนี้ถือว่าการที่เขาได้บิดเบือนศาสนาอันเที่ยงแท้ตั้งแต่สมัยท่านนาบีอิบราฮิมโดยมะละหมาดใช้เป่าเสียงหวีดและก็ปบมือแล้วก็เอาพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมาตอบโต้กับท่านนาบีนี่ถือว่าเป็นเหตุผลที่จะถูกเรียกว่าตักฟูรุนเป็นเป็นอุปติสีตและเป็นเหตุผลที่จะถูกลงโทษในนรก และนี่คือเหตุผลอันเดียวที่ท่านนาบีสุลล่ลนละฮะอัลลยฮฺสัลลัมได้พูดถึงเรื่องอุต ร, ริกัมนบีบอกว่ า, างไงคอมุฮัตเซติบิดะมันจะกลุมงานเทมนิคนะใ่ทุกสิ่งใหม่ที่ไม่มีในสิ่งดั้งเดิมในบทบัญญิตดังด้งเดิมของมิสลามเป็นบิดะเป็น อ, อุต ร, ริก ว่าคุณกบิดาทินดลเลลาหลักอุตริกรรมในเรื่องศาสนานะเป็นดลเละหลวงพิธีว่าคุณลูกดลเละาทินฟิดนาร์และการลงพิุีตุ๊การนรกเนี่ยบางคนบอกว่าบิดาเล็กๆไม่ถึงขั้นตกศาสนาถูกต้องเราต้องแยกบิดาเนี่ยไม่ใช่ประเภทเดียวกันอุตริกรรม มันมีอุตริกรรมในเรื่องความเชื่อมีอุตริกรรมในเรื่องปฏิบัติแล้วก็อุตริกรรมเรื่องเป่าเสียงวีดแล้วก็ปอบมือเนี่ยด้านอะไรบอวมันปนทั้งทั้งด้านปฏิบัติแล้วก็ด้านความเชื่อจึงถูกเรียกว่าตะฟรูนปฏิสธตไงอิมาบัสได้ราย ง, งานบอกว่ามากกว่าที่เขาเป่า เสียงวีดและก็ปบมือเ น, นี่ยคนที่ทำบาปใหญ่ดูนะเจตนาเขาก็ดีนะคนที่เขาทำบาปใหญ่เขาก็จะม า, า ม, มาตวาฟที่มักกะมาตวาฟทีบัยตุลลอ์แล้วก็จะกล่าวลับไปนี่แหละเล็บไปกัลลอฮุมะเล็บไป ละเบกนี่ก็เป็นเป็นคําคํารับคําเรียกอ่ะอ๋อเลาเรียกคนที่จะกลับเนื้อกับตัวไปตะวั่ที่เขาก็ละเบกอนี้อันนี้เรียกเหมือนครับครับอย่างเงี้ยครับครับค่ะค่ะละใบกอัลลอฮุมะละเบกละเบกกะเลชะรีกะเลกะละเบกขอตอบรับ คำเรียกของพระองค์ท่านโดยที่พระองค์ท่านไม่มีภากีใดๆกับพระองค์ท่านแลยเชรี่แค่แต่ชาวมักกะเนี่ยเขาก็จะเพิ่มอีกประยคหนึ่งอิลลเชรีกันยกเว้นภากีมาลกตะหัวแม่มามลกยกเว้นภากีพระองค์เป็นเจ้าของแต่มันนะ่ะไม่ถือกรรมสิทธิ์อะไรเลยคือเขายอมรับเนี่ยว่าไ อ, เอเ้เจวดไอ้เจเวดที่แขวนนิกาบ้านี่นะ เป็นภาคีนะและอัลล์เนี่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงพวกเจวิเนี่ยแต่เจวินี่เนี่ยก็ขอสถาบนาเป็นเป็นพระเจ้าเหมือนกันราก็จะลบยกัลลอฮุมมาลบยเหมือนที่เรากล่าวเนี่ยฮจีเนี่ยละเบยกัลลอฮุมมาละบบยกลบยละลาชรีกะละกะลบยละลาชรีกะละกะละบบย อิละแชรีกันยกเว كان, ้นแชรีกันพากีมาลกตะหูพระองค์ท่านครอบครองเขาพอ่อครอบครองมันว่ามามาลกอิละแชรีกันมาลกตะหูว่ามามาลกอันนี้เป็นความเชื่อหรือเป็นแค่ปฏิบัติเป็นความเชื่อนี่อันหนึ่งนะถือว่าบิดเบือนไอบาดาที่มันมีมีเรื่องความเชื่อเข้าไปด้วยสอง พฤติกรรมเลวร้ายที่มันไม่เหมาะสมชายหรือหญิงที่ทำบาปจะได้เตาบัตรตัวเนี่ยก็ไปตะ ว, วฟโดยเปลือยกายแล้วก็จะ ก, ก่าวเนี่ยเปลือยกายเลยนะคือโป๊เลยนะไม่ไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะทำไมเขาบอกว่าสแสดงคือสแสดงความบริสุทธิ์เเหมือนเพิ่งเกิดจากมดลูก ของมันคือคือมาแบบเกี้ยงเลยไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็จะมีซีกเกรตด้วยเ <s> ขาจะตาวเนี่ยดูดิช่างมันมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกแต่เขาก็จะมีนะตอนตอนตะวัฟเนี่ยแบบเปิยกายนะก็จะมีเรื่องนี้ด้วยอัลลอาสุบานะก็เลยประนามวเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้นะมันเป็นอุตริกกรรม เรื่องอุตริกามตอนแรกนึกไม่ไม่คิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นสมัยแจฮิลิยะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคือไรความศรัทธาไรศิลธรรมไรอะไรเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคนี้จนเกิดขึ้นในจังหวัดแห่งหนึ่งแถวอันดามันที่เคยไปป่าบ ใครจะเตาบัดตัวนี่นะอ่าก็ต้องมามาขอลุกโทษต่อหน้าเขาแล้วก็แก้ผ้าเลยแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยไม่ไม่น่าเชื่อไม่น่าคิดว่าเออจะเกิดขึ้นแล้วก็คนที่ทําแบบนี้ก็ใส่โต๊ะแบบนี้ใส่โต๊ใส่หมวกแบบนี้ไม่น่าเชื่อนี่แสดงว่า ม, มันไม่ได้ปลอดภัยนะว่าเออเราเป็นมุสลิมเราเราเรียนปอนเนาะเราอะไรแล้วก็ เรื่องอุตริกรรมจะทําให้เราเนี่ห่างไกลจากเรื่องเลอะเทอะแบบนี้เนึ่ยไม่ใช่ศาสนาจึงปรนนามเรื่องเรื่องอุตริเรื่องบิดาอุตริกรรมนี่มีเรื่องความเชื่อและก็เรื่องปฏิบัติซึ่งจะไม่เหมือนกันเรื่องความเชื่อนี่นะบิดาในเรื่องความเชื่อก็จะมีเรื่องอุตริกรรมขนาดใหญ่ที่ทําให้ตกศาสนาฮะเช่น ความเชื่อว่ามีภาคีกับอัลลอฮ์ความเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพลอันเป็นอันเป็นเดชานุภาพของาาอัลลอฮฺ س ب ح ะตารนะเชื่อว่าคนบางคนสิ่งบางสิงส่งสถานที่บางสถานที่ อะไรบางอย่างเนี่ยมีอิทธิฤทธนิะ์ทาให้คนผู้หญิงคนนี้ตั้งคันได้ทาให้คนนี้ถูกหวยคนแล้วก็แบบนี้อิทธิฤทธิ์ที่เราเชื่อนี่คนนี้เป็นนี้อันนี้อุตตระดีการทางความเชื่อขั้นขั้ น, นตกศาสนาคนอ้างว่ารู้สิ่งรึนรลับมาเลยดูพยากรณ์ให้อันนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอันนี้เนี่ย อาจอาจถึงขั้นตกศาสนาซึ่งมันมีเยอะในประชาชาติอิสลามและต้องระวังชนิดพยากรณ์อนาคตช้ยไผ่ดู ด, ดวงที่ง่ายกว่านั้นบางคนอยากจะ เออบางคนก็กำลังตกตกลุมรักนะนะตกหลุมรักเลยอยากจะรู้ชะ ต, ตากรรมขอตัวเองแฟนจะชอบไม่ชอบอลองเปิดหนังสือพิมพ์วาระสเกิดตุลาเนี่ยเอันไงมีมีโอกาสไหมฮะมีมุสลิมแบบนี้เหมือนกันมีปะ มีปะ่ะาจังหวัดมีปะ่ะซาอุดีซาอุดีนะ่มีอียิปเนี่ยประเทศอาซาดยังมีลยดูชะตากรรมกาแฟนมันมันจะไปทางไหนชะตากรรมสมัครงานก็ไปสมัครงานแล้วละ่ะก็ ก, ก, ก, ก, ก, ก็ไม่เชื่อละดูเล่นๆเฮ้จริงอ่ะไม่เชื่อดูเล่นๆได้นะครับของนี้ไม่มีดูเล่นๆดูเล่นๆไม่ได้ ต้องระวังอันนี้ความเชื่อที่มันกระทบที่เป็นอุตริกกรรมที่กระทบอาจจะตกศาสนาและมีความเชื่อที่อาจจะไม่ตกศาสนาความเชื่อที่ไม่ถึงขั้นที่จะเป็นฉีรคือตั้งพากีกับอัลลอฮ์ سبحانه และุต่าเช่นคนที่เชื่อว่าเออมาลายก้ามีเพศชายเพศหญิงอ น, นี้อุตริกกรรม เป็นความเชื่อที่บาปไหมบาปตกศาสนาไหมไม่ตกศาสนาทําไมเพราะมันไม่ไม่ถึงขั้นที่ตั้ ง, งภากีก็โลสวรรค์และไม่ถึงขั้นที่ปฏิเสธ ม, มาเลยคะเพราะถ้าปฏิเสธมาเลยค่เท่ากับปฏิเสธหนึ่งรุกุลในหกรุกุลอิมาถูกต้องไหมประมาณเนี้แล้วมีอุตริกรรมด้านอิบาดาอุตตริกัมดานอิบารดานเนี่ย บางทีนี่ก็มีทาให้ตกศาสนาก็คือไอบาดอุตริกรรมที่มันอาจจะเป็นชิริกเช่นไปขอดูอากระโดวลีในในสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของอัลลอ์ไปต้ตะเกียนี่ต้ตะเกียขอให้ันหายป่วยอันนี้ชิริกอันนี้ชิริกชัดททำไมอ่ะการให้หายป่วยนี่ เป็นเดชานุภาพของใครอัลลอฮ์เท่านั้นหม อ, อยังทำไม่ได้เลยแต่ทำไม้นตะเกียแต่ตวารีบอกว่าตวาลีจา๋าช่วยขอดูอาให้ฉันด้วยขอดูอามันตายไปแล้วเนสองพันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โต ว, วาอีแต่เนี่ยช่วยขอดูอาให้ฉันด้วยให้ฉันสอบผ่านมาอะไรเกษตรมาอะไรรังสิตย อันนี้นี่ยเขาขอเขาขอจากใครเอ๊ะเขาขอจากอัลลอฮฺผ่านตัวอะอันนี้เนี่ยอุลามาเขาคีลาบกันว่าเป็นชิริกใหญ่หรือเป็นชิริกเล็กทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ชิดิกใหญ่ทัศน์นาที่ถูกต้องเนี่ยนะไม่ใชชิริกใหญ่ทาไมอ่ะก็ก็เขาให้ขออัลลอฮฺไงสแสดงว่าเขารู้ว่า ผู้มีเดชานุภาพความสามารถในการนี้จะให้เนี่ยไม่ใช่ตัวโตวะลีตัวโตวะลีแค่เป็นซื่อสื่อระหว่างเรากับอัลลอ์คนนี้ก็บอกว่าชิริกมึงงนันแหละชิริกใหญ่มึงเงันน่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าสมัยท่านนาบีเนี่ยที่เขาไปตั้งไอ้จั่วเวดกันนี่นะ มัน عبد ฮุมอิลลัลยุคริบูนอิลอสลาก็เราไม่ได้บูชามันไม่ได้สกการานอกจากว่าให้มันเป็นสื่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์มันก็อ้างมาเป็นสื่อระหว่างเรากับอัลลอ์แต่ข้อแตกต่างแล่สำาเมาส่ว่มากโต้เขาบอกว่าเขาบูชาเขาบูชาจวดตเขากราวไหวเชนั้นคนที่ไปละหมาดสมมติน่ะละหมาดมัสยิดนบีหรือละหมาดนี่โตตะเกียงเนี้ยก็หันหน้าไปกิบรั แล้วเวลาจะขอดูอานนี่นะก็หันไปที่กุบโบแล้วก็ขอจากโตวะลีอันนี้เนี่ยทัานทาอยู่ต้องเนี่ยไม่ได้ทำชีริกใหญ่ไม่ตงศาสนาเป็นอุตริกรรมเป็นบิดาด้านอิบาดาแต่ถ้าหากว่าไปแล้วก็ไปสุยูดให้ตตตะเกีย ไฟตัวอาไฟตัวตะเกียบบนบาในตัวเกีย บ, บตัวตเกียจ๋าถ้าฉันสอบมาอะไรปีนี้เดี๋ยวเชื่อแพะสามตัวให้ถ้าฉันแต่งงานปีนี้เดี๋ยวฉันลมตัววัวตัวหนึ่งให้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นบนบานเป็นนะจั่ซึ่งนะจั่นนี่เป็นอิบาดะต้องทําเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้น و ْ ف َ ك ب ي ن ك و ن ي ن ك ا ب ْ ص ل ى ا ل ل ه ع ل ى ن ب ِ ي ن ا م ح م د و ع ل ى آ ل ه و ص ح ب ه و س ل م ا ل س ل ا م ع ل ي ك ه م و ر ح م َ